บทสรุป442ท่านทั้งหลายธรรมคือสังฆาธิเศษ13สิกขาบทเขาพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วคือ9สิกขาบทแรกต้องอบัตในขณะที่ล่วงละเมิดทีเดียว4สิกขาบทหลังต้องอบัตเมื่อสวดสมรภาพาครบ3ครั้งภิกษุต้องอบัตข้อใดข้อหนึ่งแล้วรู้อยู่แต่ปกปิดไว้สิ้นจำนวนวันเท่าใดพิกษุนั้นเพิ่งอยู่ปริวาส ด, ด้วยความไม่ปรารถนาสิ้นวันเท่านั้น ภิกษุอยู่บริวารแล้วต้องประพฤติวัดเพื่อมานัดสําหรับภิกษูเพิ่มขึ้นอีกหราตรีภิกษุผู้ประพฤติตามมานัดแล้วถูกสง์เรียกเข้าหมู่ในสีมามีภิกษุสงยี่สิรูปถ้าภิกษุสงยี่สิรูปขาดไปแม้เพียงหนึ่งรูปเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่ภิกษูนั้นไม่เป็นอันสง์เรียกเข้าหมู่และภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนินี้เป็นการทำที่สมควรในกรรมนั้น ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือสังฆาธิเศษสิบสิบสามสิบคาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือสังฆาธิเศษสิบสามสิบคาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ เตระสักกันจบ